อนนี้ทุกคนตั้งอยู่ในความสงบถ้าสงบถ้าสงบนี้ได้ไปทั้งวันก็ดีไม่มีปัญหามีแต่ความสบายอยู่เฉยๆทำใจให้สงบไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นเรื่งนี้คนนั้นคนนี้อยู่อย่างนี้ไปได้เรื่อยๆก็สบาย ความสุขที่แท้จริงอยู่แค่ตรงนี้แหละอยู่ที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องหาอะไรการหานี่มันไม่สบายนะ่าจะได้อะไรมาสักอย่างหนึ่งก็เหนื่อยเหน็ดเหนื่อยต้องเล่นรนต่อสู้ได้มาแล้วก็ไม่ได้พอใจไปนานพอใจเดียวเดียวเดียวก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นมาอีก ก็ต้องดิ้นโลนอีกต้องหาอีกหามาแล้วก็ต้องมาดูแลรักษาอีกแล้วรักษ า, างไงดูแลงไงไม่ช้าก็เร็วก็ต้องต้องจากกันอีกนี่คือเรื่องของความสุขกับความทุกข์ที่พวกเรา กำลังหากันอยู่เราหาความทุกข์กันโดยที่เราคิดว่าเป็นความสุขกันคิดว่าเราได้สิ่งนั้นมาสิ่งนี้มีมาได้บุคคล น, นั้นมาได้บุคคล น, นี้มาแล้วเราจะมีความสุขพอเราได้เขามาแล้วเราก็ต้องคอยดูแลรักษา เราต้องห่วงต้องห่วงแล้วเราก็ต้องสูญเสียต้องพัดภาาจากกันไปได้มาแล้วก็ไม่อิ่มไม่พออยากจะได้เพิ่มขึ้นมาอีกพอเราอยากจะได้ของใหม่ของเก่าเราก็เลยไม่ให้ความสำคัญถ้าเป็นสิ่งของมันยังไม่เป็นอะไรแต่เป็นคนนี่ เขาก็จะรู้สึกน้อยใจเสียใจได้เช่นตอนต้นเราไม่มีแฟนไม่มีคู่เราก็อยากได้แฟนอยากได้คู่มาพอเราได้แฟนมาได้คู่มาเราก็ดูแลเขาอย่างดีจนกว่าเราเกิดความอยากจะได้อย่างอื่นขึ้นมาพอเราอยากจะได้สิ่งอื่นขึ้นมาเราก็ไม่ค่อยดูแลเขาแล้วเราก็ พยายามไปหาสิ่งใหม่ที่เราอยากจะได้ก็เลยเหมือนกับอทอดทิ้งเขาไม่ให้ความสำคัญเขาเท่าที่เท่าที่เคยทำเพรา ะ, ะจะต้องเอาเวลาไปหาสิ่งใหม่ใหม่ที่อยากได้สิ่งเก่าๆ ก, ก็เลยไม่มีความหมายไปถ้าเป็นของก็ไม่เป็นไร เช่นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าถ้าไม่ไม่ไปให้ความสำคัญกับเขาซื้อมาแล้วก็เก็บไว้ในตู้ไม่ได้ใช้มันเขาก็ไม่รู้สึกเสียใจอะไรแต่ถ้าเป็นคนเป็นแฟนพอเราได้เขามาแล้วเราก็ไม่ดูแลเขาเหมือนตอนที่เราได้มาใหม่ๆเราวพเราอยากจะไปหาของใหม่หาอย่างอื่น ก็เลยทำให้ความสุขที่เรามีกับแฟนมันจางไปเป็นการหาความทุกข์ไปดีไม่ดีก็เกิดการทะเลาะบอกแว้งกันเกิดการหย่าร้างกันได้ถ้าเราไม่ดูแลเขาเท่าที่ควร นี่คือเรื่องของการอยู่ของพวกเราพวกเราอยู่บนความอยากกันเราก็เลยต้องดิ้นกันต้องหากันแล้วเราได้อะไรมามากน้อยเพียงไรมันก็ไม่อิ่มไม่พอเพราะของต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองเป็นบุคคลต่างๆเป็นสิ่งของต่างๆมันไม่สามารถให้ความพอกับใจเราได้ความพอนี้ต้องเกิดจากการหยุดความต้องการหยุดความอยากต่างๆทัางนั้นถึงจะทำให้เกิดความพอขึ้นมาได้ ถ้าเราไปทำตามความอยากทำตามความต้องการต่อให้เราได้มามากน้อยเพียงลยมันจะไม่มีคำว่าพอแต่มันจะมีคำว่าต้องการเพิ่มขึ้นมีความอยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้แหละเป็นประเด็นที่พวกเราไม่เข้าใจกัน มีพระพุทธเจ้ากับพระสาวกเท่านั้นที่ท่านเข้าใจความจริงอันนี้ว่าความสุขความพอของพวกเรานี้อยู่ที่การหยุดความต้องการหยุดความอยากต่างๆไม่ได้อยู่ที่การทําตามความต้องการทําตามความอยากต่างๆท่านก็เลย หยุดการหาหยุดการมีอะไรต่างๆแล้วก็มาสร้างกำลังให้กับใจสร้างกำลังให้กับตัวเองเพื่อที่จะหยุดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจถ้าไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจแล้วใจจะสบาย ใจจะสงบจะสามารถนั่งอย่างนี้ได้ไปทั้งวันจะไม่รู้สึกหงุดหงิดตาคาญใจเศร้าซ้อยงอยเหงาว้าเหวแต่อย่างใดเพราะความหงุดหงิดาําคาญใจเศร้าซ้อยง่อยเหงาเนี่มันเกิดจากความต้องการเกิดจากความอยากต่างๆของใจถ้าเราหยุด มันได้มันจะไม่สามารถมาสร้างความรู้สึกไม่ดีต่างๆให้กับเราได้มันก็จะทำให้เราอยู่เฉยๆกันได้อยู่แบบไม่ต้องมีอะไรอย่างผู้ที่มาฝึกหัดอยู่บนเขาเนี่ยพระสององค์เจ้าหรือคารวะญาติโยมผู้ชายเขาก็ไม่มีอะไรบนนี้ไฟฟ้าก็ไม่มีน้ปาปลาปาก็ไม่มี ไม่มีอะไรให้เขาทำตามความอยากได้มีแต่ที่สร้างความสร้างกำลังที่จะมาหยุดความอยากก็คือสร้างธรรมะสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมพวกที่มาอยู่บนเขานี้เขามาสร้างกำลังให้กับใจกำลังของใจคือ ศรัทธาวินัยสติสมาธิปัญญาเขามาด้วยศรัทธาเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วก็ทำความเพียรปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติคือให้สร้างสติให้สร้างสมาธิให้สร้างปัญญาขึ้นมา เพราะถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วจะมีกําลังที่จะตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้พอไม่มีความอยากแล้วใจจะไม่มีความรู้สึกไม่สบายต่างๆความไม่สบายใจต่างๆนี้เกิดจากความอยากทั้งนั้นคนที่อยากไปเที่ยวถ้าอยู่บ้านก็จะรู้สึกไม่สบายใจ ตอนที่อยากจะได้อะไรแล้วไม่ไปหาสิ่งที่อยากได้ก็จะไม่สบายใจแต่ถ้าไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่รู้สึกไม่สบายใจอย่างตอนนี้ญาตยมมานั่งตรงนี้ไม่รู้สึกไม่สบายใจเฉยๆสบายเพราะว่าตอนนี้ไม่มีความอยากได้อะไรไม่มีความอยากจะทำอะไร ไม่มีความอยากจะดูอะไรไม่มีความอยากจะฟังอะไรอยู่เฉยๆได้เพราะตอนนี้ความอยากมันไม่ออกมาแต่ถ้านั่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ต้องเกิดความอยากขึ้นมาแล้วถ้าเราไม่มีสติหรือสมาธิหรือปัญญาเราก็จะไม่สามารถหยุดความอยากได้ มันก็จะทำให้เราอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่ไม่เป็นสุขทำให้เราต้องดิน้นต้องลุกไปทำอะไรตามที่เราอยากทำแต่ไปทำอะไรได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราก็เบื่อแล้วเราก็อยากไปทำอย่างอื่นต่อนี่คือเรื่องของความอยากของพวกเราที่พวกเราไม่รู้ว่ามันเป็นตัวทำให้เรานี้ต้อง ไม่สบายใจกันเหมือนกับร่างกายที่ไม่สบายก็มีเชื้อโรคมีเชื้อโรคต่างๆหลายชนิดที่ทําให้เกิดโครคภัยไข้เจ็บชนิดต่างๆสมัยที่เราเป็นเด็กนี่ประเทศไทยเราจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะฮิวาตับโรคถ้าติดเชื้อนี้แล้วจะท้องเสีย จะถ่ายแล้วถ้าหยุดมันไม่ได้ก็ตายทุกปีนี้เขาจะต้องให้มีการฉีดวัคซีนสมัยนี้ไม่มีปัญหาแล้วเพราะเรารู้วิธีป้องกันเชื้อหิวานี่มันแพร่ไปในอาหารแพร่อาหารทางอุจจาระสมัยก่อนคนเราไม่ค่อยสะอาดกัน มือไม้บางทีก็ไปหยิบของสกปรกแล้วก็ไม่ล้างเวลากินอาหารก็เอาเอาเชื้อโรคที่ติดมากับสิ่งสกปรกเข้าไปในร่างกายก็เลยทำให้เกิดโครคภัยไข้เจ็บขึ้นมาสมัยนี้ไม่มีไม่มีข่าวเรื่องอหิวาเลยใช่ไหมสมัยก่อนนี้ทุกปีเลย ขณะเดินทางจากกรุงเทพมาพัทยานี่เขามีด่านเลยด่านตรวจว่ามีฉีดวัคซีนหรื อ, อยังถ้าไม่ฉีดเขาจับลงไปฉีดตรงนั้นเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันแพร่มันไปแพร่เชื้อด้วยตัวเองติดมาแล้วเดี๋ยวตัวเองก็ไปแพร่ให้กับคนอื่นเดี๋ยวนี้เรารู้จักวิธีป้องกัน เชื่อมันก็เลยไม่ไม่สามารถแพร่กระจายได้ความอยากก็เหมือนกันความอยากก็เป็นเหมือนเชื้อโรคของใจในรรมกลางของพระอริยะเจ้านี้ท่านไม่มีท่านไม่มีความไม่สบายใจกันเลยเพราะท่านรู้จักวิธีกาจัดป้องกันความอยากต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นมาภายในใจของท่านพระสาวกทุกลูกพระพุทธเจ้าเนี่ย ท่านไม่มีความอยากอยู่ในใจท่านจึงไม่มีความทุกข์เลยท่านไม่มีการต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปเพราะท่านมีวิธีกำจัดความอยากต่างๆมีวิธีป้องกันความอยากต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นมาก็คือเนี่ยให้มีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญาถ้ามีทามสามนี้สามอย่างนี้แล้ว จะป้องกันความอยากได้จะกำจัดความอยากต่างๆได้ความอยากที่เป็นเหตุให้ไม่สบายใจมีอยู่สามตัวเท่านั้นความอยากที่ดีก็ไม่ต้องป้องกันก็ได้เช่นความอยากที่จะมากําจัดความอยากที่ไม่ดีนี่เรียกว่าเป็นความอยากที่ดีเป็นความอยากจะมาปฏิบัติธรรมความอยากจะมานั่งฟังเทศฟังธรรม ความอยากจะมานั่งสมาธิความอยากที่ดีอันนี้ไม่ได้เป็นความอยากที่เราต้องกำจัดเนี่ยเพราะนี่เป็นเหมือนยาเหมือนกับความอยากกินยาความอยากจะรักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายให้หายไปความอยากที่ดีนี้เป็นสิ่งที่เราต้องส่งเสริมแต่ความอยากที่ไม่ดีที่ทำให้เราไม่สบายใจนี่เราต้องกาจัด ก็มีกามะตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะรูปก็คือสิ่งที่เราเมาเห็นด้วยตาเสียงก็คือสิ่งที่เราได้ยินด้วยหูกลิ่นก็คือสิ่งที่เราได้ดมด้วยจมูกรสก็คือสิ่งที่เราได้สัมผัสด้วยลิ้นและผดทพะก็คือสิ่งที่เราสัมผัสด้วยร่างกายของเรา เช่นความเย็นความร้อนความแข็งความนุ่มนี่เป็นโพธพะที่พวกเราเส่กันเพื่อให้เรามีความสุขกันเวลาเราอยากดูอะไรเราก็ต้องไปหาสิ่งที่เราอยากดูพอเราได้ดูสิ่งที่เราอยากดูเราก็มีความสุขกันแต่ดูเสร็จแล้วเราก็ ไม่อยากดูแลอยากจะได้อย่างอื่นแทนนะอยากจะไปกินนะอยากจะดืม่มอยากจะลิ้มรส ด, ดมกลินของเครื่องดืม่มของอาหารนะเดี๋ยวมันจะมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ความอยากมันจะอยู่แต่วัตถุของความอยากมันเปลี่ยนได้เช่นไปซื้อกระเป๋าแล้วเดี๋ยวก็อยากจะซื้อรองเท้าะ ซื้อรองเท้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็อยากจะซื้อเสื้อผ้าเดี๋ยวก็อยากจะซื้อเครื่องประดับให้มันครบชุดพอได้ชุดหนึ่งแล้วก็อยากจะได้อีกชุดหนึ่งนีหลายหลายชุดได้มากี่ชุดก็ไม่พอเดี๋ยวเห็นชุดใหม่ที่ร้านหรือในอินเทอร์เน็ตก็เดี๋ยวก็สั่งเลย สมัยนี้ไม่ต้องไปที่ร้านด้วย <ijo metal> แล้วถ้าเกิดไม่มีเงินซื้อก็ไม่สบายใจนะเห็นทีร่ร้านก็ไม่สบายใจอยากจะได้อยากจะได้อยู่นั่นแต่พอได้มาแล้วทีนี้ก็ไม่สนใจนะได้มาแล้วก็เก็บไว้ในตู้ ก็ไปสนใจของที่ยังไม่ได้มาความอยากมันจะไม่หมดไม่พอซื้อไปจนแก่ตายก็ไม่หมดความอยากก็ยังมีอยู่ที่ไม่ได้ซื้อตอนแก่เพราะว่ามันไม่มีแรงไม่ใช่อะไ ร, รมันไม่มีแรงไปซื้อไม่มีแรงไปสวมใส่แต่ยังมีแรงอยู่ก็ไปซื้อไปสวมใส่ พอชราแล้วก็หมดเรี่ยวหมดแรงทีนี้ก็ไม่ไม่มีไ ม, ไ ม, ไม่ไม่สบายใจแล้วสิเพราะไม่สามารถจะไปซื้อข้าวของเหมือนกับตอนที่เราแข็งแรงได้ตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวนะตอนนั้นความไม่สบายใจก็จะมีมากขึ้นคนเราจึงไม่ชอบแก่กันไม่ชอบเจ็บไข้ได้ป่วยกันะไม่ชอบตายกันเพราะมันเป็นเวลาที่ เราไม่สามารถทำตามความอยากต่างๆได้ไม่สามารถลิ้มรส ด, ดมกลิ่นไม่สามารถเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดพะได้นี่เองเวลานั้นเราก็จะมีแต่ความไม่สบายใจนี่คือความอยากกลุ่มที่หนึ่งเรียกว่าความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะนี่เขาเรียกว่ากามคุณ กามคุณห้ามีห้าประการรูปเสียงกลิ่นรสผลัพพะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลัพพะเรียกว่ากามตัณหาเช่นไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็เป็นความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเพราะว่าอยู่ที่บ้านมันดูเห็นแต่รูปเก่าๆเสียงเก่าๆมันก็เบื่อมันอยากจะได้รูปใหม่เสียงใหม่มันก็เลยต้องไปเที่ยวกัน การไปเที่ยวนี่ก็เป็นการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพระเที่ยวเท่าไหร่ก็ไม่พอก็เพียงแต่เปลี่ยนที่เที่ยวทนั่นเองไปประเทศนี้แล้วเบื่อแล้วเห็นรูปภาพของประเทศนี้แล้วก็อยากจะไปเห็นรูปภาพอีกประเทศหนึ่งบรรยากาศของอีกประเทศหนึ่งก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆกลับมาถึงบ้านอยู่บ้านไม่กี่วันก็เบื่อมอนเดิม ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาของความเบื่อวิธีแก้ก็ต้องไม่ไปที่เราไม่มีกาลังสู้มันสหรือไม่รู้สองอย่างคือไม่รู้ไม่มีปัญญาถ้าไม่มาฟังเทศฟังธรรมนี่คนก็จะไม่รู้หรอกว่าความเบื่อของเขานี้เกิดจากความอยากที่ไม่มีวันพอต่อให้เขาไปทำตามความอยากมากน้อยเพียงไรมันก็จะกลับมาที่จุดเดิมนี้ พอไปเที่ยวกลับมาบ้านแล้วอยู่ไม่กี่วันก็เบื่อก็อยากออกไปเที่ยวอีกพอไปเที่ยวก็ดีใจสนุกสนานเฮฮาเดี๋ยวพอกลับมาอยู่บ้านไม่กี่วันก็เบื่อเนี่ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ตอนต้นต้องรู้ปัญหาก่อนคนพวกนี้ไม่รู้ปัญหาเขาจะไม่มีวันแก้ปัญหาได้ถูก ถ้าเขาไม่ได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้หรอกว่าปัญหาของเขาเกิดจากความอยากไปเที่ยววิธีที่จะทําให้เขาอยู่บ้านได้โดยไม่เบื่อก็คือต้องหยุดความอยากเที่ยวนี่การจะหยุดความอยากเที่ยวได้ก็อยู่ที่กําลังของใจจะสู้ความอยากได้หรือไม่ถ้ามีกําลังน้อยก็ต้องสร้างกําลังขึ้นมา สร้าสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาถึงจะสามารถสู้กับกำลังของความอยากไปเที่ยวได้อันนี้ก็ต้องต้องข้อข้อที่หนึ่งต้องเกิดปัญญาก่อนเกิดสาัมมาทิฏฐิก่อนให้รู้ว่าปัญหาของเราอยู่ที่ความอยากเที่ยว ความเบื่อหน่ายความลำคาญหงุดหงิดอยู่บ้านอยู่กับสิ่งที่จาเจซ้ำซากแล้วรู้สึกเบื่อเข้าซ้อยน้อยเหงา ว, ว้าเหวความรู้สึกเหล่านี้เป็นเหมือนกับเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยอาการของร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยนะก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้มีความมีไข้ขึ้นนี่คือสภาพอาการของความเจ็บ ทางร่างกายมันจะรู้สึกเจ็บปวดตามอวัยวะต่างๆมีอุณหภูมิสูงไข้ขึ้นส่วนความเจ็บ่า้ได้ปวด่วยอาการเจ็บ่า้ได้ป่วยของใจก็คือความรู้สึกไม่สบายใจต่างๆหงดหยิดลาคาใจเศร้าซ้อยง้อยเหงาว้าเวอันนี้เป็นอาการของ โรคใจโรคจิตอาการซึมเศร้าอาการฟุ้งซ่านอันนี้ก็เป็นอาการของโรคจิตที่เกิดจากความอยากอยากจะทำอะไรแล้วไม่ได้ทำก็เลยเกิดอารมณ์ไม่ดีเกิดความรู้สึกไม่ดีขึ้นมาวิธีแก้ก็คือต้องหยุดความอยากนั้น ถ้าหยุดความอยากนั่นได้แล้วอารมณ์ไม่ดีก็จะหายไปอยากไปเที่ยวก็ต้องหยุดความอยากเที่ยวเปลี่ยนที่ไปแทนที่จะไปเที่ยวก็ไปไปอยู่วัดก็ได้ถ้าอยู่บ้านไม่ได้ถ้าอยู่บ้านแล้วสร้างกำลังสู้มันไม่ได้ก็ไปอยู่วัดไปที่วัดแล้วก็ไปศึกษาจากพระจากครูอาจารย์ว่าให้มาหยุดความอยากกัน วิธีจะหยุดความอยากก็ต้องสร้างธรรมะขึ้นมาสร้างสติก่อนถ้าได้สติแล้วก็จะมีสมาธิตามมาพอมีสมาธิแล้วใจก็สงบใจก็หยุดความอยากได้ชั่วคราวตอนนั้นใจก็เบิกบานหายเจ็บหายไข้แต่ถ้าออกจากสมาธิมาแล้วถ้าเผลอไปคิดถึงความอยาก ไปเที่ยวขึ้นมาอาการของความไม่สบายใจก็จะกลับมาถ้าจะอยากจะกาจัดมันอย่างถาวรโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิก็ต้องใช้ปัญญาที่พระเจ้าสอนว่าการไปทำตามความอยากนี่มันไม่ได้เป็นการกาจัดความอยากแต่เป็นการเพิ่มความอยากให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆ การที่จะหยุดความอยากก็ต้องไม่ทำตามความอยากต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นมันเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปแล้วความไม่สบายใจก็จะกลับมาต่อได้มาแล้วเวลาเสียสิ่งที่เราได้มาไปก็เสียใจได้ไปเที่ยวก็ดีใจพอกลับมาอยู่บ้านก็เสียใจ เสียดายหมดแล้วก็เกิดความอยากไปเที่ยวใหม่แล้วถ้าไม่ได้ไปเที่ยวก็จะไม่สบายใจขึ้นมาฉังนั้นเราก็ฝืนใจอย่าไปเที่ยวมันหักข้ามใจไว้พอเราหาักได้จริงๆแล้วความอยากมันก็จะหายไปเองพอมันรู้ว่าอยากแล้วไม่ได้มันก็ไม่รู้จะอยากไปทำไมมันก็จะหยุดเย็บหยุดไป แล้วทุกครั้งที่มันอยากเราก็ไม่ไปทำตามความอยากต่อไปมันก็จะไม่มีกำลังที่จะสู้เราได้อยากเราก็ปล่อยมันอยากไปแต่เราไม่ไปทำตามความอยากเราก็จะไม่เดือดร้อนความไม่สบายใจต่างๆก็หายไปความอยากทั้งสามกลุ่มนี้มีมีอาการเหมือนกันเพียงแต่มีวัตถุหรือเป้าหมายต่างกัน การมาตาญหาก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสภาวะตานหาก็คือความอยากมีอยากเป็นอยากให้ได้สิ่งนั้นอยากได้อยากมีสิ่งนี้นอกจากรูปเสียงกลิ่นรส่นอยากจะเป็นเป็นอาจารย์เป็นหมอเป็นครูเป็นอะไรต่างๆอันนี้ก็เรียกว่าภาวะตานหา ความอยากมีอยากเป็นแล้วความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็คือความอยากไม่เสียสิ่งที่เรามีไปเป็นหมอก็ไม่อยากจะเสียการเป็นหมอไปไม่อยากให้เข า, เอานองดงดใบอนุญาตของเราเราอาจจะไปรักษาโลกภัยผิดทำให้คนตาย เขาก็เลยมาริบใบอนุญาตก็ไม่อยากให้ริบเวลาจะถูกริบ ก, ก็ไม่สบายใจเพราะนี่ก็เรียกว่าวิภาวะตัณหาความอยากไม่ไม่ให้เสียสิ่งที่มีไปหรือความอยากให้สิ่งที่อที่มีหายไปเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็อยากจะให้มันหายไป อันนี้ก็เรียกวิภาวะทันหาอยากจะกาจัดส YJ, ิ like. ะะ่งที่มีไปหรืออยากจะไม่ให้ส er> ิ่งที่มีหายไปก็เรียกว่าวิภาวะันหาส่วนภาวะันหาก็อยากจะมีสิ่งที่ยังไม่มียังไม่เป็นหมอก็อยากจะเป็นหมอยังไม่มีสามีก็ยังไม่มีภรรยาก็อยากจะมีสามีอยากมีภรรยาอยังไม่รวยก็อยากจะรวย นี่คือความอยากทั้งสามประการพอเกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาแล้วใจมันจะดิ้นมันจะอยู่เฉยๆไม่เป็นสุขต้องไปทาสิ่งที่อยากได้พอได้มาแล้วก็ดีใจเดียววเดี๋ยวก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นอยากจะได้อะไรต่อไปมีสิ่งนี้แล้วก็อยากจะได้สิ่งนั้นต่อ ถ้าได้ยศก็ต้องอยากจะได้สูงขึ้นไปเรื่อยๆตอนต้นได้ในร้อยก็ดีใจแล้วต่อไปก็อยากจะได้ในพันพอนได้ในพันก็อยากจะได้ในพลอยากขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีก็อยากไปได้อย่างอื่นต่อเพราะอยากได้ในผลก็อยากจะไปเป็นนายก ไปเป็นอะไรต่างๆต่อไปตามใดที่ยังมีช่องไปอยู่มันก็อยากๆไปเรื่อยๆมันก็ทำให้ต้องดิน้นหลนไปเรื่อยๆอยู่ไม่เป็นสุขอยู่เฉยๆก็มันไม่สบายใจได้มาแล้วก็ต้องมาวิตรกกังวลกับสิ่งที่ได้มาอีกว่าจะอยู่กับเราไปได้นานสักเท่าไหร่จะจากเราไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ เวลาเกิดเหตุการณ์ที่จะทำให้เราต้องเสียสิ่งที่เราได้มาเราก็ไม่สบายใจเองนี่แ่ละคือเรื่องของความไม่สบายใจต่างๆนี้มันเกิดจากความอยากทั้งสามนี้ถ้าเราไม่มีความอยากทั้งสามนี้เราจะไม่มีความไม่สบายใจอะไรเลยไม่มีรูปดูก็ไม่เดือดร้อนไม่มีเสียงฟังก็ไม่เดือดร้อนไม่มีไม่มีเงินไปเที่ยวก็ไม่เดือดร้อน ไม่มีตำแหน่งไม่ได้เป็นในพลในพันไม่ได้เป็นนายกไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่เดือดร้อนจะเสียอะไรไปก็ไม่เดือดร้อนร่างกายมันจะแก่จะเจ็บจะตายไปก็ห้ามมันไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อนถ้าไม่มีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายมันจะไม่มีความเดือดร้อนใจเลยจะไม่มีความเสีย нож, ใ quoted. จไม่ม <sem linger News same ount> ีความเศร้าใจ ไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความหวาดกลัวไม่มีอะไรในใจเลยใจจะเบาใจจะสบายใจจะเย็นไปใครจะไปก็ไปใครจะมาก็ามาใครจะเกิดก็เกิดใครจะตายก็ตายร่างกายของเราก็จะแก่ก็แก่ไปจะเจ็บก็เจ็บไปจะตายก็ตายไปห้ามมันไม่ได้จะทำยังไงไปอยากก็ทำให้เรา ไม่สบายใจแบบเปล่า ๆ, e ๆปัญหาของเราคือเราชอบไปอยากแก้สิ่งที่มันมีอยู่หรือหรืออยากจะผลิตสิ่งที่มันไม่มีให้เกิดขึ้นมาสิ่งที่มีอยู่ก็ไม่ชอบก็อยากจะให้มันหายไปพอมันไม่หายก็ไม่สบายใจสิ่งที่ไม่เป็นก็อยากให้มันเป็นพอมันไม่เป็นก็ไม่สบายใจทำไมไม่อยู่กับความเป็นจริงแล้วเมื่อมันเป็นอะไรก็ปล่อยมันเป็นไปที มันเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยมันเป็นอย่างนี้ไปอยากไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นนี่คือปัญหาของพวกเราคือเรามันชอบไปอยากไปยุ่งกับสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆเพื่อให้เป็นปลายตามความอยากของเราพอไม่ได้เป็นปลายตามความอยากก็วุ่นวายใจไม่สบายใจไม่มีความสุข แต่ถ้าเราสามารถหยุดความอยากต่างๆได้แล้วอยู่กับความจริงไปตอนนี้อยู่กับตอนนี้ต้องอยู่กับอะไรก็อยู่กับมันไปเป็นตอนนี้ต้องนั่งอยู่ตอนนี้ก็นั่งไปถ้าไม่มีความอยากลุกมันไม่มีปัญหาหรอกแต่พออยากจะลุกแล้วมันนั่งไม่ได้นะไม่สบายใจนะหงุดหงิดลำคาญใจเวลาเกิดความอยากถ้าเราอยากจะหยุดมันเราต้องสร้างกาลังขึ้นมาสู้กับมัน กำลังของใจก็คือสติสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็เกิดจากการมีศรัทธาเชื่อว่าว่าถ้าเราอยากจะมีกําลังใจสู้กับความอยากต่างๆเราก็ต้องสร้างสติสร้างสมาธิปัญญาเราก็ต้องใช้ความเพียรวิริยะพระพุทธเจ้าบอกเรามีศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญา แต่เราไม่รู้จักใช้มันไปในทางที่ดีเราไปใช้ในทางที่ไม่ดีกันใช้ไปในทางรับใช้ความอยากกันเราต้องเอาศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญามาใช้ในการสู้กับความอยากหยุดความอยากเข้าไปในสมาธิจิตก็หยุดความอยากได้จิตก็สบายมีความสุข ออกจากสมาธิมาก็ใช้ปัญญาเวลาความอยากโผล่ขึ้นมาก็บอกว่าไม่เอาถ้าเรามีสมาธิแล้วอยู่เราอยู่เฉยๆได้เราไม่ต้องไปทําตามความอยากเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนเพราะเรามีสมาธิสนับสนุนมีอุเบกขามีความสบายใจสนับสนุนจะออกจากสมาธิมาอยากจะดื่มกาแฟไ ม, มไม่ดื่มก็ได้ดื่มน้ำเปล่าก็ได้อยู่น้ําก็ดื่มน้ำเปล่า เดือดแป๊บๆมันก็พอร่างกายมันได้น้ามันหายหิวแล้วความอยากกาแฟมันก็ถึงแม้จะมีถ้าเราไม่เดื่ ม, มเราก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนเลยถ้าเรามีสมาธิถ้าเรามีอุเบกขาแต่ถ้าเราไม่มีสมาธินี่พอเกิดความอยากขึ้นมาแล้วนี้อยู่เฉยๆไม่ได้สู้มันไม่ได้ต้องไปทาตามความอยากงนั้นก่อนที่เราจะใช้ปัญญาสู้กับความอยากได้เราต้องมีสมาธิก่อน เราต้องมีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากการทำตามความอยากต่างๆความสุขของสมาธินียมันดีกว่าความสุขที่เราจะได้จากการดื่มกาแฟจากการไปเที่ยวจากการไปซื้อกระเป๋ารองเท้าจากการไปดูหนังฟังเพลงจากการไปมีแฟนจากการไปมีอะไรต่างๆถ้าเรามีความสุขจากสมาธิแล้วนี้เราจะสู้กับความอยากต่างๆได้เราจะเฉยได้ ไม่ทำตามความอยากได้จะไม่รู้สึกหงุดหงิดไม่รู้สึกเศร้าส้อยงอยเงาว่าเวเพราะเรามีอุเบกขาเรามีความสงบมีความสบายใจอยู่เป็นพื้นฐานและ้ะเป็นต้นทุนละแต่ถ้าเราไม่มีต้นทุนสู้กับกิเลสนี่มันมีแต่ความหิวอย่างมีแต่ความหิวก็กิเลสบอกว่าอยากได้นี่ปั๊บมันก็หิวขึ้นมาทันทีนะยมัน แล้วถ้าไม่ทำตามมันมันก็หงวดหงยดลำคาญใจนี่คือเรื่องของอาการกำจัดความไม่สบายใจต่างๆต้องกำจัดที่ความอยากแล้วก็เป็นการสร้างความสบายใจไปในตัวเมื่อไม่มีความไม่สบายใจก็จะมีแต่ความสบายใจ ความไม่สบายใจกับความสบายใจนี้มันอยู่ร่วมกันไม่ได้เหมือนกับมืดกับแจ้งมันอยู่ร่วมกันไม่ได้ถ้ามันมืดมันก็ไม่แจ้งเหมือนกับความอิ่มกับความหิวมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้ามันหิวมันก็ไม่อิ่มถ้ามันอิ่มมันก็ไม่หิวถ้ามันอยากมันก็ไม่พอถ้ามันพอมันก็ไม่อยาก วิธีที่จะทำให้มันพอไม่ใช่ทำตามความอยากเพราะทำตามความอยากเท่าไหร่มันก็ไม่เคยพอสัทีมีแต่จะมีความอยากเพิ่มมากขึ้นพระพุทธเจ้าได้พิสูจน์แล้วว่าวิธีจะทาให้มันพอก็คือต้องไม่อยากเพราะไม่อยากมันก็พอวิธีที่จะทำให้มันไม่อยากก็คือต้องใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญานี่เท่านั้นตอนนี้เราไม่มีกันเราก็เลยสู้ความอยากกันไม่ได้ อยากปั๊บก็ต้องวิ่งไปตามที่มันสั่งทันทีอยากจะได้อะไรอยากจะไปที่ไหนก็ต้องไปทันทีทำไมแล้วไม่มานั่งสมาธิกันอยากอะไรปุ๊บ ก, ก็นั่งสมาธิเลยถ้ายังไม่มีสมาธิถ้ามีสมาธิแล้วไม่ต้องนั่งสมาธิก็อยากอะไรก็ใช้ปัญญาบ่รอบอยากไปทำตามความอยากนะยิ่งอยากยิ่งหิวยิ่งไม่พอนะถ้าอยากจะให้มันพอก็ไม่ต้องทำตามความอยาก พอไม่ทำตามความอยากได้มันก็พอแล้วต่อไปมันก็ไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆแสนจะสบายไม่มีอะไรต้องมาคอยดูแลรักษาไม่ต้องมีอะไรมาร้องหม่มร้องไห้เพราะท่านจะต้องมีการพัดาคจากกันอยู่แบบพระพุทธเจ้าอยู่แบบพระสาวกนี้ท่านอยู่แบบไม่มีอะไรทรัพย์สมบัติของท่านมีแค่แปดชิ้นท่านของจำเป็น ต่อการดำรงชีพของพระสาวกของพระพุทธเจ้ามีบาทไว้สำหรับหาอาหารมีจีวรสามผืนผ้าไตเป็นเครื่องนุ่งหม่มมีเข็มขัดรัดเอวไว้สำหรับรัดสมองถ้าไม่รัดเดี๋ยวมันหลุดแล้วก็มีใบมีโกนไว้สำหรับโกนศีรษะโกนผมโกนหนวด แล้วก็มีเข็มกับได้ไว้ซ่อมจีวรสมัยก่อนต้องตักน้ําจากในลาห้วยลําทานก็ต้องมีที่ตักที่ที่กองน้ําเวลาตักน้ําขึ้นมาจะไม่เอาตัวสัตว์ขึ้นมาด้วยถ้าไม่มีที่กองตะเอาขานตักเดี๋ยวมันมีลูกน้องลูกน้ํามันก็จะติดขึ้นมาด้วยแล้วถ้าดื่มลูกน้ําเข้าไปก็เหมือนกับทาปานาติบาสฆ่าสัตว์ ก็เลยต้องมีที่กองตักน้าขึ้นมาที่กองนี่มันจะเอาแต่น้ำขึ้นมามันจะกองไม่ให้ตัวสัตว์เข้ามาในน้ำนี่แหละคือสมบัติของผู้ที่มีความพอของผู้ที่ไม่มีความอยากมีแค่นี้อยู่ได้แนละ้วสบายแล้วบ้านก็ที่ไหนก็ได้ในป่าเนี่ยส่วนใหญ่ท่านจะอยู่ในป่าไปทำเพิงทำอะไรไปอยู่ตามโคนไม้ไปถ้ามีเงื่อนผา ก็อยู่ตามเนื้องผาถ้ามีถ้ำก็เข้าไปอยู่ในถ้ำถ้ามีเรือนร้างก็ไปอยู่ในเรือนร้างท่านอยู่อย่างนี้ได้ไม่เดือดร้อนใจของท่านมีความสุขแล้วร่างกายจะอยู่ในสภาพไหนไม่สําคัญร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจปล่อยวางร่างกายได้ใจแยกตัวออกจากร่างกายได้รู้ว่าร่างกายไม่ใช่ใจ ใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเราไปวุ่นวายกับร่างกายทำไม ท, ที่ที่วุ่นวายก็เพราะไปคิดว่าใจเป็นร่างกายใจไปวุ่นวายกับร่างกายเพราะคิดว่าใจเป็นร่างกายแ้าต่นักวิทยาศาสตร์สมัยนี้ศึกษาก็ยังว่าใจเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายใจของนักวิทยาศาสตร์ทุกคนนี้วุ่นวายกันขึ้นมาทุกคนหาอยู่หายาหาอะไรกินกันวุ่นไปหมด หาวิธีรักษาโรคต่างๆกันวุ่นไปหมดเลยทุ่มเทชีวิตเงินทองไปกับการวิจัยกับการค้นคว้าวิธีรักษาร่างกายเพราะอะไรเพราะคิดว่าตัวเองกำลังเป็นอะไรถ้ารู้ว่าไม่ใช่เป็นตัวเองไปทุ่มเทเวลาให้เสียเวลาทาไมร่างกายมันเหมือนคนรับใช้เราเราไปทุ่มเทชีวิตจิตใจรับใช้มันทาไมเลี้ยงดูมันทาไมส่วนตัวเรานี่เรากลับไม่เลี้ยงดูเราเลย ปล่อยให้ใจเรานี้ทุกข์ทรมานไปกับความอยากต่างๆต่อให้เป็นนักวิทยาศาสตร์มีความรู้ความสามารถขนาดไหนก็รักษาโลกใจไม่ได้รักษาตัวเองไม่ได้มัแต่ไปรักษาคนใช้คนรับใช้ของตัวเองพระราชามหากริย a เศรษฐีก็เหมือนกันไม่รับใช้คนคนใช้ตัวเองไม่รับใช้ไม่เลี้ยงดูตัวเองคนที่เลี้ยงดูตัวเองก็มีพระพุทธเจ้ากับพระสาวกนี่แหละ ที่เลียงดูตัวเองเลี้ยงดูด้วยการสร้างสติสร้างสมาธิปัญญาขึ้นมาพอมีสติสมาธิปัญญาแล้วตัวเองก็ไม่ทุกข์กับอะไรตัวเองก็มีแต่ความสุขสบายไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับสิ่งต่างๆกับมองเห็นว่าสิ่งต่างๆนี้ไร้ค่าเหมือนเศษขยะไม่มีประโยชน์อะไรกับจิตใจเลยแต่ความหลงมันไปเรื่องทำให้คิดว่าเป็นของมีคุณค่าขึ้นมา แล้วก็วุ่นวายกับการดูแลรักษามันแล้วดูแลยังไงรักษางานมันก็ทำไม่ได้อยู่ดีแล้วเดี๋ยวก็ตายจากกันไปตายจากไปก็ไม่เข็ดกลับมาหามันใหม่กลับมาเกิดอีกกลับมามีร่างกายกลับมามีเศษขยะอีกแล้วก็มาเลี้ยงดูเศษขยะเหมือนกับเป็นทองคอาอีกนะสิ่งที่เป็นทองคํากับไม่เลี้ยงดูกันไม่ดูแลรักษากัน ใจของเราเนี่ยใจผู้รู้ผู้คิดเนี่ยผู้ที่วุ่นวายไม่สบายใจกับเรื่องราวต่างๆผู้ที่อยากกับสิ่งต่างๆนี่ยหละเป็นตัวเราของเราที่เราไม่ดูแลรักษากันเพราะเราไม่รู้เพราะเราคิดว่าตัวเราอยู่ที่ร่างกายเราก็เลยไปดูแลคนอื่นแทนที่จะดูแลตัวเราเองตัวเราเองเลยไม่ได้รับการดูแลมาเป็นเวลาอันยาวนานะมีแต่ได้รับการ สร้างความทุกข์ให้กับตัวเราไปเรื่อยๆร้องห่มร้องไห้กันมาทุกภพทุกชาติถ้าเอาน้ําตามารวมกันแล้วน้ามันมากเิียบกับน้าในมหาสมุทรนี่แหละคือการดูแลตัวเราดูแลด้วยน้ําตาให้มันร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเพราะไม่รู้ต้นเหตุของความเศร้าโศกเสียใจว่ามันเกิดจากอะไรมันก็เกิดจากความอยากของเรานี่เอง ถ้าถ้ารู้แบบพระพุทธเจ้าก็ไม่ยากเลยก็มาสร้างหายาที่มารักษาโรคใจยาที่มารักษาโรคใจก็คือสติสมาธิปัญญานี้พอมีสติสมาธิปัญญาปับ๊บีโรคใจก็หายไป น, น้ำตาจะไม่มีวันหลังอีกต่อไปถ้าจะหลังก็เป็นน้ำตาที่เกิดจากความปิติแต่ไม่ใช่เป็นน้ำตาที่เกิดจากความเศร้าโศกเสียใจ น้ำตานี้มันหลั่งได้หลายแบบโดนฟันโดนควันไฟมันก็หลั่งได้อยงั้นมันไม่ใช่เป็นน้ําตาของความทุกข์ไม่ใช่เป็นน้ําตาที่เกิดจากความอยากแต่มันเป็นน้ําตาที่เกิดจากความปิติบางทีเราคิดถึงเรื่องอะไรที่มันทำให้เราเกิดความปิติเกิดความทราบซึ้งน้ําบทราบซึ้งใจขึ้นมาน้ําตามันก็ไหลได้แต่นี่ไม่ใช่เป็นน้าตาของความทุกข์ นี่แหละคือประโยชน์ที่เราได้รับกันจากการที่เราได้มาพบกับพระพุทธเจ้าพบกับพระธรรมคำสอนพบกับพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าเราจะได้เรียนรู้ความจริงว่าตัวเราคือใครกันนะแล้วเราจะได้เรียนรู้วิธีรักษาตัวเราให้เราสบายให้เราไม่ทุกไปตลอดถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสง์ แล้วก็จะหลงไปรักษาเลี้ยงดูคนรับใช้เราคือร่างกายของเราเกิดมากี่พ่อกี่ชาติก็ไปคิดว่าคนรับใช้เราเป็นตัวเราเลี้ยงดูมันอย่างดีเลยคนรับใช้นี่แหมเจอเจ้านายใจดีแล้วกันจ้างมาแล้วไม่ต้องทํางานมีให้เงินเดือนอย่างเดียวให้กินให้นอนพอเจ้านายเห็นคนใช้สบายเจ้านายก็สบายไปด้วยบน พอคนใช้ไม่สบายขึ้นมาเมื่อไหร่เจ้านายก็ไม่สบายไปทันทีเจ้านายอุตส่าห์อุทิศชีวิตเพื่อเลี้ยงดูคนใช้ไม่ได้ทำอะไรหรอกเนี่ยพวกเราเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยอุทิศมาเพื่ออะไรเพื่อเลี้ยงดูร่างกายเราใช่เลี้ยงดูความอยากเราใช่ร่างกายก็เป็นคนรับใช้เราส่วนความอยากก็เป็นเจ้านายเราเราเลี้ยงของสองคนเลี้ยงคนรับใช้คือร่างกายแล้วก็เลี้ยงความอยาก รับใช้ความอยากความอยากมันเป็นเจ้านายมันสั่งให้เอากาแฟก็รีบไปเลยสั่งให้ไปเที่ยวก็จองตั๋วเลยใช่ไแล้วเป็นงานจากการรับใช้เจ้านายกับคนรับใช้เหนื่อยไหมสบายใจไหมสับพอหมอิมไมอมมีแต่วุ่นวายใจเดือดร้อนใจไปตลอดเวลาต้องมาเจอพระพุทธศาสนาที่บอกว่าเลิกรับใช้คนใช้เลิกรับใช้เจ้านายแล้ว มารับใช้ตัวเราวิธีรับใช้ตัวเราก็คือเนี่ยมาปฏิบัติธรรมกันมาเจริญสติมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญากันถ้ามีสติแล้วก็จะหยุดความคิดได้นั่งสมาธิเจ็ดก็จะรวมเป็นสมาธิพอเป็นสมาธิก็เหมือนกับได้กินข้าวได้ไปเที่ยวมาแล้วอิ่มสุขใจสบายใจพอใจไม่อยากจะได้อะไรแล้ว แล้วถ้าเกิดความอยากขึ้นมาก็ใช้ปัญญาบอกว่าอย่าไปเอาเอาความอิ่มเอาสมาธิดีกว่ากลับมานั่งสมาธิดีกว่าถ้าจะให้ไปเที่ยวกลับมานั่งสมาธิมานั่งสมาธิดีกว่าทํำนี้ไปเรื่อยๆต่อไปความอยากก็จะหมดแล้วก็จะไม่มีอะไรมาสั่งเราให้ไปทํานู่นทนํานี่แล้วเราก็ไม่ต้องมาเลี้ยงดูคนใช้เราเลี้ยงมันบาบหมาได้เห็นไหมพุทธเจ้าเลี้ยงร่างกายของท่านเหมือนเลี้ยงหมา เช้าก็ไปบินตาบาดขิวบาดไปใบเข้าไปในเข้าไปในหมู่บ้านได้อาหารนายมาก็คุก ม, มันในบาดเลยเหมือนเลี้ยงเลี้ยงหมาเลยใช่ไหมอาหารใส่ไปในบาดคุก ม, มันเข้าไปแล้วก็กินมันเหมือนหมาเลยก็เพราะร่างกายมันเป็นคนรับใช้แล้วเป็นเหมือนหมาตัวหนึ่ง เ, เราไป็นเลี้ยงมันเป็นเจ้านายทําไมเราไม่ได้กินอาหารหน่อยเนีใครกินอาหารเวลากินอาหารเนี่ยเออ ใจเพียงแต่ได้ดูแต่หนาใจพิถีพิถันไอ้นั้นต้องอย่างนั้นไอ้นี้ต้องอย่างนี้ต้องกินอย่างนี้ก่อนนั่งกินอย่างนี้หลังแล้วเวลามันเข้าไปในร่างกายมันไปรวมกันที่ไหนมันก็ไปรวมไปในท้องนี่แหละความหลงมันทําให้เราเสียเวลาเวลากับการไปเลี้ยงดูรับใช้คนอื่นแล้วก็ ไม่ได้อะไรได้แต่ความเสียใจเพราะว่าสิ่งที่เราเลี้ยงดูต่อไปมันก็ต้องจากเราไปแล้วเวลาเจ้านายสั่งให้ทําอะไรก็ไม่สามารถทําตามที่เจ้านายสั่งได้เวลาที่คนรับใช้ไม่สามารถทําตามคําสั่งของเจ้านายได้ก็มีแต่ความทุกข์ไปแต่ก็ไม่เข็ดพอตายไปเสียคนชับรับใช้คนนี้ก็กลับมาหาคนรับใช้คนใหม่เราทําอย่างนี้มาไม่รู้กี่ล้านรอบแล้ว และจะทําทอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มาพบกับพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้มาพบกับพระอริยสงสาวโกที่รู้ปัญหาที่แท้จริงว่าอยู่ที่ความหลงของเราอยู่ที่เราเป็นหลงรับใช้คนรับใช้เราเลี้ยงดูคนรับใช้เรารับใช้ตัญหาความอยากของเราเราต้องเลิกทำสองอย่างนี้เลิกรับใช้เจ้านายคือความอยาก แล้วก็เลิกเลี้ยงดูร่างกายแบบพิถีพิถันแบบวิจิตพิสดารเลี้ยงมันไปแบบเลี้ยงม้าตัวหนึ่งอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ปล่อยมันตายไปเราไม่ได้เป็นมาตัวนั้นเราไปกังวลไปเดือดร้อนกับมันทาไมนี่แหละคือเรื่องที่เราจะได้รับรู้จากการมาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วถ้าเรามีศรัทธาแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติได้ต่อไปเราก็จะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้า เราจะอยู่แบบพระพุทธเจ้าได้มีอัฐบริขารมีสมบัติเพียงแปดชิ้นเราก็อยู่ได้อย่างมีความสุขนั่นก็ขอให้ท่านจงเน์เอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิ จ, จารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ความไม่สบายใจต่างๆที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พรยะถาวารรวะหาปุราปุเรนติสักลงเอวเมวะอิตูทินังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปจิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกาปาจันโทปนาวะโสยะถามณิโชติ อาระโสยทาสพีติโยวิวัชฉานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตาราโยสุขีทีขายุโกภะอภิวาทนาสีิตสะนิจังวุทธาปจายโนจตารโรธรรมวาทานติอายุวโนสุขัง ใครต้องการหนังสือซีดีก็มาหยิบได้นะหนังสือนี่ก็เป็นคำสอนที่เราอ่านแล้วจะทำให้เราหูตาสว่างให้เรารู้ว่าเราควรจะทำอะไรที่จะทำให้เรามีแต่ความสบายใจ อาจารย์ครับตอนนี้ตอนนี้เนนเนท็อปอาจจะไม่เสร็จอาจจะอาจจะเรยียบบวดยาวเลยครับก็ตามใจถ้ า, ถามันไม่เสียหายเรเพรียงแต่ว่ากลัวจะเป็นเรื่องแค่อารมณ์ชั่ววูบเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวเกิดเบื่อขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะต้องกลับมาเรียนมันก็จะเสียเวลาเดี๋ยวแม่ชีกลับมากลับมาปเดือนต้องให้เขาตัดสินใจใช่ครับว่าเขาจะเอาทางนี้จริงหรือเปล่าถ้าจะเอาก็ดีอัน่าอนุโมทนา แต่น่าจะไปได้แหละเพราะเขามีพี่ชายอยู่อยู่คนนะใช่ไหมใช่มีพี่ชายบวชอยู่คนแล้วแต่ก็จะแยกไปอยู่คนละที่กันนะครับแต่พี่ชายเขาก็ดูท่าทางดีนะครับท่าทางมีหลักมีเกณฑ์ถ้านนำเด็กก็ยุคขนาดนี้ท็อปท็อปนี่คือตอนแม่ชีบอกว่าตอนไปกราบหลวงปู่หลวงปาแถวโน้นเขาก็กราบแล้วเขาก็เหมือนอธิษฐานเลยว่าจะขอบวชไม่สึกอะไอประมาณนั้นอธิษฐานเองเลยแสดงว่ามีบารมีเก่ามีบุญเก่าติดตัวมาอ พอมีโอกาสปั๊บมันก็จุดประกายขึ้นมาเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมีเรื่องอ่เสียงหายมีสนธนรราทรรมภาษาอังกฤษช่วงท้ายอยู่ตอนนี้เราเปิดโอกาสให้ถามปัญหาไปถึงประมาณสัก15นะ30 5ก็พอเหลือเฉพาะคำถาม ท, ท, <ร>ที่เหลือก็จะใช้เป็นภาษาอังกฤษตอนนี้วันนี้เข้ามาเท่าไหร่แล้วทางเฟซบุ๊กเบุ๊ก อสูงสุดประมาณสามร้อยี่สามร้สมสิบหรือสาม้อสมสิกว่าใช่ทูห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดเฉพาคนเริ่มเริ่มออกต่างจังหวัดใช่ไหมครับอาจารย์ก็เลยไม่ค่อยอยู่ออฟฟิศใช่แต่ก็ปกติสามร้อยกว่านี่ก็ถือว่าเป็นปกติก็เอาเอาคำถามเข้ามาเลยได้สักพักหนึ่ง คำถามทาง facebook l i v e จากคุณนันทนานะคะ เ, เราอธิฐานให้เราเป็นสดไปทุกทุกชาติได้ไหมคะให้พบกับพระธรรมทุกชาติทุกชาติด้วยเจ้าค่ะคือกรรอธิฐา น, นมีสองความหมายอาธิฐานที่เราเข้าใจกันคือขอขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนี้ซึ่งการขอแบบนี้มันไม่แน่มันไม่ได้หรอกถ้าขอได้ก็ขอให้เป็นนาย ก, กันทุกคน อันนี้ไม่ใช่เป็นคำมาที่แท้จริงของอธิษฐานคำมาที่แท้จริงของอธิษฐานก็คือความตั้งใจความตั้งเป้าเป้าหมายว่าเนี่ยเหมือนเดนท็อปเนี่ยที่เด็กคนเนี้ยที่บอกว่าจะขอบวชไปตลอดชีวิตเนี่ยนี่เรากาอธิษฐานถ้ายาี้ได้แ น, น่แน่จะขอบวชก็บวชเลยจะขอทํางานหาเงินเก็บเงินไม่ใช้เงินแม้แต่บาทเดียวอย่างนี้ทําได้ เราต่อไปก็จะได้เป็นเศรษฐีเองถ้าหาเราไม่ใช้มันก็จะมันก็จะเป็นเศรษฐีขึ้นมาได้แต่ขอให้เป็นเศรษฐีมันขอขอได้แต่มันมันได้ไม่ได้มันไม่มันไม่ได้อยู่ที่ทําขอมันอยู่ที่เหตุอยู่ที่การกระทําของเราถ้าเราทําในสิ่งที่มันเป็นเหตุทําให้มันเป็นได้มันก็เป็นได้แต่ขอบางอย่างมันสไม่มีเหตุที่ทําให้มันเป็นได้อย่างที่ถาม่าขอให้ได้กลับมาเป็นอะไรนะทุกชาตินะเป็นศสตุกชาติ เป็นโสทุกชาต์ก um? ็ต้องอย่างนี้เนี่ยก็ขอให้เราถือศีลแปดไปทุกทุกชาติมันก็เป็นโสตเองนะถ้าอยากจะเป็นโสตก็ให้ถือศีลแปดไปทุกชาติเนี่เราทําได้้ยถือศีลแปดเราทําได้ถ้าเราไม่เราไม่เลิกถือศีลแปดมันก็ไม่มันก็มันก็ต้องเป็นโสตไปทุกชาติฉะนั้นถ้าอยากจะเป็นโสทุกชาติก็ต้องอธิษฐานว่าขอให้รักษาศีลแปดไปทุกชาติ ค ำ, คำถามข้อต่อไปจากคุณเมฆประสองคออกงานนะครับผู้เราฟังอยู่ในที่นี้ด้วยนะครับ<อ>ทุกใจมากทําเงินทําบุญของเจ้านายหาย<อ>คนที่เขาเอาไปเขาจะได้รับผลของกรรมไหม่เจ้าพักและจิตใจตอนนี้ทุกใจมาก อ, อยากแก้จิตที่มันเป็นทุกข์อยู่ตอนนี้ที่โดนกล่าวหาในสิ่งที่ลูกไม่ได้ทําในสิ่งที่เขาว่าเราเราจะออกจากจิตที่มันเป็นทุกข์นี้อย่างไร ก็เรายืนอยู่บนความบริสุทธิ์ของเราสิถ้าเราไม่ได้ไปทำเจตนาเพื่อที่จะยักยอกเงินของคนอื่นแล้วคนอื่นเขาจะกล่าวหายังไงเราก็ไม่ต้องไปสนใจเราอย่าไปอยากให้เขาไม่กล่าวหาเพราะมันเป็นปกติของคนที่เขาไม่เห็นความจริงเขาก็ต้องสงสัยไว้ก่อนเขาก็ต้องสงสัยว่าเพราะคนส่วนใหญ่มักจะทำแบบนี้กันมักจะยักยอกเงินของคนอื่น แล้วก็ไปอ้างว่ามันหล่นหายหรือเป็นอะไรไปแบบที่ไม่มีความตั้งใจอย่าให้มันหายแต่ถ้าความเป็นจริงมันเป็นยังไงเราก็ยืนบนความเป็นจริงอย่าไปยืนบนความอยากความจริงก็คือมันหายโดยที่เราไม่ได้มีเจตนาก็ว่าไปอย่างนั้นอย่าไปอยากให้เขาเชื่อเราเพราะความอยากจะให้เขาเชื่อเราแล้วเขาไม่เชื่อเราเนี่ทําให้เราทุกข์ไม่ใช่อะไร อย่างที่พูดเมื่อกี้ยกตัวอย่างให้ฟังความอยากมีอยากเป็นอยากให้เขาเชื่อเรานี่ก็มันมันก็อยากให้เขาเป็นไปตามที่เราอยากเพราะฉะั้นเราต้องตัดตัวนี้แล้วเราจะไม่ทุกข์ใจส่วนเขาจะเชื่อไม่เชื่อก็จะกล่าวล่ากล่าวร้ายเราอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้แต่เราจะไม่ทุกข์กับคากล่าวล่ากล่าวร้ายของเขา แต่ถ้าเรายากยกจริงๆเราก็ต้องยืนบนความเป็นจริงนะว่าเออเรายากยอกแล้วเขาว่าเราแล้วมันก็เป็นจริงเราก็ต้องยอมรับความจริงนันั้นฉะนั้นขอให้เรายืนบนความจริงแล้วเราจะไม่ทุกข์อย่าไปยืนบนความอยากแล้วมันจะทุกข์อย่ปัญหาของพวกเราทุกคนนี้มันไม่ยอมยืนบนความจริงกันชอบยืนบนความอยากกันมันจึงทุกข์กันคาถามจากคุณลิงน้อยค่ะ ผมขอถามความหมายของคําว่าดวงตาเห็นธรรมตามคําสอนของพระพุทธเจ้าครับคําว่าดวงตานี้ไม่ใช่ตานอกไม่ใช่ตาข้าง่างกายเรียกว่าตาในาตาในาก็คือใจผู้รู้ผู้รู้ก็คือรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบคือรู้อริยสัจสี่รู้ว่าเนี่ยที่พูดมาตลอดเวลานี้ก็พูดเรื่องอริยสัจสี่โดยเพียงแต่ไม่ได้กล่าวชื่อท่นเองว่า ความไม่สบายใจนี่ก็เป็นเกิดจากความอยากของเราถ้ารู้อย่างนี้ก็เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมแต่เห็นเพียงครึ่งเดียวเห็นเห็นว่าความไม่สบายใจเกิดจากความอยากของเราอีกครึ่งหนึ่งต้องเห็นว่าวิธีดับความไม่สบายใจของเราก็คือต้องดับด้วยสติสมาธิปัญญาถ้าเรางี้แล้วเรียกเห็นธรรมครบทั้งสี่ข้อ เห็นทุกคือเห็นความไม่สบายใจเห็นต้นเหตุของความไม่สบายใจเห็นการดับของความไม่สบายใจเห็นวิธีที่จะทําให้ความไม่สบายใจดับไปเรียกว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคสี่ข้อนี้ถ้าเห็นทั้งสี่ข้อแล้วสามารถทําได้ทําตามที่เรารู้ได้เราก็จะดับความทุกข์ต่างๆได้คือเราต้องสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมา ถ้าเรามีสติมีสมาธิปัญญาเราก็จะละความอยากหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้ความไม่สบายใจก็หายไปนี่คือการมีดวงตาเห็นธรรมให้เห็นตรงนี้ถ้าเห็นตรงนี้แล้วจะไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าไม่ต้องไปที่ประเทศอินเดียไปพิสูจน์ให้เสียเวลาเพราะคำสอนที่สอนให้เราเห็นตัวนี้เราเห็นแล้วยั น, นคนที่สอนมันก็ต้องมีลย มันจะมาจากที่ไหนคำสอนคือพระธรรมก็ต้องเป็นของจริงสิพรามันจริงแล้วเนี่ยเราเห็นในตัวเราแล้วลคนคนที่จะเห็นนี่ก็คือใครก็เรานี่แหละ<ม>ก็คืออริยสงสารวงศ์คนที่เห็นนี้ก็เรียกว่าเป็นพระอริยสงสาวกเพราะเป็นผู้ที่จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้คำถามจะคุณไข่ตุล น, นะครับ ขณะตอนกำหนดพุโทโธนั้นรู้สึกพุโทโธไม่แท้เพราะลึกๆยังเห็นภาพที่จิตมโนไปอยู่ยังไม่ไปกับพุโทโธพระอาจารย์เมตตามีแนวทางที่ถูกให้ผมไหมครับ อ, อ๋อใหม่ๆก็อย่างนี้แหละเพราะใจเรายังติดของเก่าอยู่ยังชอบคิดถึงเก่ายอมชอบนึกของเก่าอยู่แต่ก็ไม่ต้องไปสนใจให้เราเริ่มมาติดของใหม่ให้มาติดพุโทโธไปพยายามอยู่กับพุโทโธท่องพุโทโธไปเรื่อยๆ แล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็จะติดกับของใหม่ติดกับพุโทโธแล้วของเก่ามันก็จะหายไปคําถามจากคุณสุรพล ค, ค่ะพุทลมเข้าโทลมออกหรือว่ากําหนดเฉพาะพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆไม่ต้องดูลมหายใจครับได้ทั้งสองอย่างทั้งสามอย่างดูลมอย่างเดียวไม่ต้องพุโทโธก็ได้พุโทโธอย่างเดียวไม่ต้องดูลมก็ได้ดูลมควบคู่กับพุโทโธไปก็ได้ก็มีสามวิธีด้วยกัน แล้วแต่จะชอบวิธีไหนก็เลือกอาจแก่คุณลิตานะครับมีความอยากปีกวิเวยพยายามอยู่กับปัจจุบันแล้วพุโทโธแต่มันทุกข์มากเหนื่อยมากๆเพราะพุโทโธไม่แข็งแรงค่ะก็เหมือนกับการชักกระเยอะกันเนี่ยฝ่ายต่อสู้ฝ่ายที่เราสู้เขานี่เขามีกําลังมากกว่าเราคนน้อยกว่ามันก็ต้องเหนื่อยแต่ถ้าเราพยายามทําไปเรื่อยๆต่อไปฝ่ายของเราก็จะมีกําลังมากขึ้น แล้วต่อไปมันก็จะเบาลงเบาลงแล้วต่อไปเขาก็จะยอมแพ้พอเขาไม่ดึงปับ๊บเราก็สบายเราชนะแต่ตอนต้นนี่เราต้องเหนื่อยนั้นอย่าท้อแท้ใหค้คิดว่ากรุงโลมไม่ได้สร้างภายในวันเดียวใชชนะไม่ได้เกิดจากการนั่งสมาธิครั้งเดียวต้องหัดพุดโทโธไปเรื่อยๆพุโทโธไปเรื่อยๆ กูบาอาจารย์บางรูปเนี่ยหลวงปู่มั่นนะ่ะท่านไปบรรลุตั้งอายุหกสิบกว่าน่นน่ะท่านไปอยู่เชียงใหม่ระหว่างอายุหกสิถึงเจ็ดสิบไปบำเพ็ญคนเดียวท่านถึงจะบรรุทำขั้นสูงสุดได้ไอ้พวกเราไม่รู้มา น, นั่งพุทโธกันไม่สามไม่ถึงห้านาทีก็อยากจะบรรลุแล้วไม่ยอมเหนื่อยนะไม่ได้หรอกมันต้องอดทนต้องมีขันติต้องมีความพยายามคืออธิษฐานเนี่ยคือความพยายาม ความตั้งใจอธิษฐานมีสัจจะมีความแน่วแน่ต่อความตั้งใจมีวิริยะความขยันหมั่นเพียรมีขันติความอดทนถ้ามีรม ท, ทั้งสีประการนี้แล้วมันก็จะพาเราไปเองมีความแน่วแน่มีความตั้งใจต่อการปฏิบัติต่อการพุทโธไปจะยากแสนยากจะเหนื่อยแสเหนื่อยกไ็ไม่หยุดอาจจะพักบ้างถ้าไม่ไหวก็พักได้ พักเอาแรงพอมีแรงแล้วต้องกลับมาต่อไม่ใช่พอเหนื่อยปั๊บไม่เอาแล้วยกธงขาวแพ้ไม่เอาต่อไปเลยอย่างนี้ก็จบต้องสู้ไม่ถอยอย่างที่หลวงตาท่านพูดต้องสู้ไม่ถอยจะช้าจะเร็วไม่เป็นไรจะนานหรือไม่นานจะยากหง่ายไม่ไม่สําคัญขอให้อย่าให้มีคําว่าถอยอยู่ในในใจก็แล้วกันให้มีแต่คําว่าสู้อย่างเดียว แล้วรับรองได้ว่าจะต้องชนะอย่างแน่นอนคำถามจากคุณโลนาริตค่ะการอุทิศส่วนบุญกุศลหรือแผ่เมตตาให้แก่สัตว์สัตว์ที่เราไปปฏิบัติหรือนอนพักต้องทำอย่างไรครับคือความแผ่เมตตานี่ความจริงเราควรจะตัดคำว่าแผ่ออกไปนะเพราะมันทำให้เกิดความเข้าใจผิดให้ความเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายเวลาที่เราเจอเขา ไม่ใช่อยู่นั่งนี้คนเดียวแล้วก็แผลเหมือนกับเอาไฟฉายกลาดไปทั่วไปหมดอันนั้นไม่ได้แผลเข้าใจไหมให้ความเมตตาเราอย่าไปใช้คําว่าแผลเมตตาให้เรามีความเมตตากับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์ทั้งเวดเทวดาและสัตว์เลี้ยงาฉันเวลาเราเจอใครเราก็มีความเมตตากับเขามีของเรากําลังกินข้าวอยู่เข้ามาก็ชวนเขากินข้าว กินข้าวหรือยัง อ, อย่างเงี้ยเรานั่งกินข้าวเห็นหมามาออดโซเซก็อหาข้าวให้มันกินอันนี้เราเรียกให้ความเมตตาอย่าไปมอแผ่เมตตาแผ่เมตตาโดยไม่รู้ว่าแผ่ยังไงกันเนี่ยถึงหนงกันไปที่ว่าแผ่ด้วยการสวดการสวดไม่ได้เป็นการแผ่ใครอยากจะรับคำสวดบ้างเราก็เราก็สวดให้แล้ ว, ล ว, วเจอใครก็สเัเพสสัตตาเวลาโหนตุแล้วก็ด่ากันใช่ ไ, ไม เ อ, อมันต้องให้ความเมตตาต่อกันเขาทําร้ายเราเราก็ให้อภัยเขาเนี่เรียกว่าแผ่เมตตาเรามีเงินเหลือใช้ก็แบ่งให้คนหนึ่งก็ใช้บ้างนีเ่เรียกว่าแผ่เมตตา อ, อันนี้แหละคือความหมายเราไม่ไปทําร้ายเขาก็เรียกว่าแผ่เมตตาคือเราต้องมีคนรับไม่ใช่มานั่งสวดคนเดียวแล้วก็แผ่ไปให้สรรพสัตว์เจ้ากรรมนายเวรคอบตายพบเลย ไม่ใช่นั่นมันไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาแผ่เมตตา้าเกิดเราอยู่คนเดียวเรามีผีมาหาเรานี่ก็ต้องแผ่ให้เขาทักทายเขาสามเขาสาวาทุกข์สุขดีเป็นไงสบายดีหรือเปล่าไม่ใช่แผ่เพื่อให้เขาไปแผ่เพื่อไล่ไม่ใช่แผ่เมตตาก็ยังเขามาหาเราเราก็ต้องคุยกับเขาเสียก็อาจจะเดือดร้อนก็เห็นว่าเราอาจจะช่วยเหลือก็ได้อย่างเม่ชีแก้วเนี่ยเวลาท่านนั่งสมาธิท่านนักจะมีดวงวิญญาณที่ตายไปแล้วเข้ามาหา ท่านก็ไม่ได้ไล่ลงไปท่านก็ต้อนรับเขาถามเขาเป็นยังไงมีอะไรเขาก็มาเล่าความทุกข์ของเขาให้เขาฟังเมธีก็สอนธรรมะไปให้เขาไปทําให้เขามีความสุขความสบายใจอันนี้เรียกว่าแผ่เมตตากับดวงวิญญาณแต่เขาต้องมาหาเราไม่ใช่เราไม่รู้เขาอยู่ที่ไหนเราก็สาดกระจายเหมือนน้าไปแผงไปหมดเนี่ยไม่ใช่แล้วเราสวดคําสวดนี่ไม่ได้เป็นการแผ่เมตตา คำสอนนี้เป็นคำสอนสอนใจเราเตือนใจเราให้รู้วิธีแผ่เมตตาว่าแผ่ยังไงเช่นว่าอาเวลาหุนตุนี้แปลว่าอย่ามีเวรมีกรรมกันใครก็าด่าเราก็อย่าไปโกรธแค้นอย่าไปตอบโต้อย่าไปด่ากลับต้องสาทุกเออแล้วเดี๋ยวเ้าก็จะหยุดถ้าเราไม่เราไม่ตอบโต้เดี๋ยวเ้าก็หยุดเองเอเวลาหุนตุเอ อา น, นิคาหนตุก็คือเวลาเห็นเขาเดือดร้อนก็ช่วยเหลือเขาสุขีอตานาังก็อยากให้เขามีความสุขก็เอาขนมมาแจกเอาข้าวมาแจกเอาของมาแจกกันให้ความสุขกับเขาไม่เบียดเบียนเขาก็ อ, อย่าไปทุบไปตีเขาอย่าไปทำร้ายร่างกายหรือทรัพย์สินของเขานี่แหละคือวิธีแผ่เมตตาที่เราสวดกันอันนั้นเป็นการสอนเราต่างหากไม่ได้เป็นการแผ่ คำถามจากคุณดันทนานครับการรักความอยากถ้าเราหาสิ่งที่เราอยากได้โดยไม่เดือดร้อนใครๆกก็ไม่ดีใช่ไหมเจ้าคะเพราะจะมีความอยากไม่สิ้นสุดยมเข้าใจถูกต้องไหมถูกต้องคำ <laughs> ถ, ถามจากคุณสิงหาค่ะเรานั่งสมาธิแล้วเห็นภาพในอดีตคืออะไรครับอดีตที่เราทำไม่ดีทาบาสนะครับอ๋อก็อดีตนั่นก็อดีตตังนีน้จะเป็นอะไร บางทีเราก็ฝันได้บางทีเราก็นึกได้ไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้การนั่งสมาธินี้ไม่ได้มานั่งเพื่อให้เห็นอดีตนั่งสมาธิเพื่อให้ใจสงบให้ใจปราศจากความอยากความหิวต่างๆดงนั้นเวลานั่งแล้วอย่าไปสนใจกับสิ่งอย่างอื่นที่ปรากฏขึ้นมาเพราะมันอาจจะเกิดขึ้นมาได้แต่ให้เราอยู่กับพุทธโธไปอยู่กับอารมณ์ที่ใช้คุกกากับใจแล้วมันจะพาให้ใจเราเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสุขต่อไป ดีไหมเอาสักสองสามคำถามจะคุณโรสค่ะคุณแม่สามีมีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ทั้งที่ไปวัดสวดมนต์แต่ท่านก็ยังไม่ยอมปล่อยวางมีวิธีไหนที่จะอธิบายให้ท่านลดกิเดสได้บ้างคะท่านก็ต้องฟังธรรมบ่อยๆท่านไม่ศึกษาธรรมะท่านเคยเชื่ออะไรมาก็เชื่อฝังใจไปดงั้นต้องต้องฟังธทรมฟังเทศไปเรื่อย แล้วเรื่องของสยศาสตร์ต่างๆมันก็จะค่อยๆจางหายไปคำ ถ, ถามจากคุณสีหน้าค่ะอยากทําความดีช่วยผู้มีค่ะคุณแต่ทําไม่ได้เพราะเหตุปัจจัยอื่นพระอาจารย์ช่วยแนะนําด้วยค่ะถ้ายังช่วยไม่ได้ก็ต้องหยุดความอยากนั้นไว้ก่อนถ้าอยากแล้วมันก็จะทําให้เราทุกข์ไปเปล่าประโยชน์อย่างที่พูดให้ยืนอยู่บนความจรงิงความจริงตอนนี้ทําไม่ได้ก็อย่าไปอยาก ถ้าทําได้เมื่อไหร่ก็ทําไปถ้ายังทําไม่ได้อย่าไปอยากอยากแล้วมันจะทําให้เราไม่สบายใจปเปล่าๆไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเขาสุดท้ายจะาคุณสีชนนะสายชนนะครับปฏิบัติทำมานานแต่ยังขี้หงุดหงิดจะแก้อย่างไรคะเพราะยังปฏิบัติไม่ถูกไงการปฏิบัติธรรมนี้ต้องปฏิบัติด้วยสติก่อนถ้าเรามีสติเราจะสามารถกําจัดอารมณ์ต่างๆได้อย่างง่ายดายรวดเร็วเั้นเบื้องต้นนี้ต้องหัดฝึกสติให้มากๆ ให้ใจอยู่กับเรื่องเดียวเช่นอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปเวลาเกิดอารมณ์ลายขึ้นมาแล้วก็ใช้พุโทโธพุธโทโธไปแล้วอารมณ์ต่างๆก็จะเบาไปหรือหายไปหรือถ้าอยากจะให้มันไม่เกิดเลยเราก็ต้องใช้ปัญญาว่าความหงุดหงิดของเราเกิดจากความอยากของเราพออยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็หงุดหงิดขึ้นมางั้นต้องถอดทาใจให้เป็นอยู่บนความเป็นจริงมันร้อนก็อย่าไปอยากให้มันหนาวมัน มันมันมืดก็อยากก็อยากให้มันแจ้งเราก็จะไม่หงุดหงิดที่เราหงุดหงิดเพราะความอยากพอมันมืดอยากให้มันสว่างมันก็หงุดหงิดแล้วมันร้อนแล้วอยากจะให้มันเย็นมันก็หงุดหงิดแล้วแต่ถ้าเราไม่มีความอยากเราก็จะอยู่ขับความร้อนได้อย่างสบายอยู่กับความมืดได้อย่างสบายดังนั้นถ้าเราอยากจะกําจัดความหงุดหงิดก็ต้องทําใจให้ไม่มีความอยากทําใจให้เป็นเรียกว่าสันโดษยินดีตามมีตามเกิด อยู่บนพื้นของความเป็นจริงยืนบนพื้นของความเป็นจริงอย่าไปยืนบนพื้นของความอยากถ้ายืนบนความอยากแล้วมันจะหงดหงิดขึ้นมา ท, ทันทีเอาแค่นี้ก่อนนะสำหรับคำถามภาคภาษาไทยเพราะว่าวันนี้จะมีคำถามภาคภาษาอังกฤษท่านที่อยากจะติดตามต่อก็ติดตามได้แต่แต่ตอนนี้จะตัดการถ่ายทอดสดทางภาษาไทยเพื่อที่จะได้เชื่อมเพื่อได้เชื่อมไปในทางภาษาอังกฤษต่อไป